แล้วก็ข้อสุดท้ายอันน้สงข้อสุดท้ายก็คือเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์คำว่าสุขคตินั้นเป็นชื่อของมนุษย์คำว่าโลกสวรรค์นี้เป็นชื่อของเทวดาเป็นต้น น, นะคำว่าโลกเป็นที่ดูบุญและผลของบุญอันโอฬารว่างั้นเถอะบุญไม่ใช่บุญธรรมดานะเจตนาที่เกิดจากการรักษาศีลเพราะว่าคนมีศีลจริงๆนั้นคนเหล่านั้นที่มีฮิริโอตตะ ทั้งกายกรรมและวจีกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยนะมีฮิริโอตาะปะเป็นเหตุใกล้ทั้งนั้นเลยแล้วอา น, นิสงส์อีกอย่างหนึ่งก็คืออา น, นิสงส์สิเจข้อนะถ้าเป็นพระภิกษุก็จะได้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจรรันทร์อันนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ว่าจะไม่ลำบากด้วยปัจจยัยศีนั่งกันเถอะถ้ามีศีลอา น, นิสงส์ของศีลทําให้มีโพ ก, กรัพย์อยู่แล้ว ปัจจัยสี่จะไม่ลำบากอันนี้สง์ข้อที่สามก็คือเมื่อมีศีลดีแล้วบริโภคปัจจัยสี่ของชาวบ้านเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานะปัจจัยเพสัตชบริขา ร, รของเทวดาและมนุษย์เนี่ยนะสาการะและปัจจัยสี่เหล่านั้นก็จะเป็นของที่มีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มาก อันนี้ก็เป็นอ น, นิสงค์ของศีลข้อที่สามถ้าพระพิสุท่านมีศีลดีแล้วก็อ น, นิสงค์ข้อที่สี่นนะพวกญาติสาโลหิตพวกพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นต้นที่ล่วงลับไปแล้วหรือที่ตายไปแล้วถ้าหากว่าท่านเขาเหล่านั้นมีใจเลื่อมใสระลึกแล้วก็จะมีผลมากมีอ น, นิสงค์มากทีนี้อ น, นิสงค์ข้อที่ห้าต่อจากเมวาฏ ดูกรพิสูจทั้งหลายถ้าพิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นผู้ขม่มความไม่ยินดีข่มอรติว่า ง, งั้นเถอะและความยินดีได้ข่มรติข่มความยินดีข่มความไม่ยินดีฟังยากๆอยูงง่เหมือนกันนะเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปอันหนึง่งความไม่ยินดีอย่าพึงครอบงำเราได้เลยเราพึงครอบงำย่ำยี ความไม่ยินดีอันเกิดขึ้นแล้วได้อยู่เถิดดังนี้พิกษุนั้นควรเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมะเครื่องระ ง, งับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทำชานให้เหิร์นห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนการอยู่ในสุญยาคันคำว่าความไม่ยินดีกับความยินดีนี้อธิบายว่า ความเบื่อหน่ายในธรรมะที่เป็นกุศลอันยิ่งเห็นนะและในเสนาสนะอันสงัดชื่อว่าอารติความไม่ยินดีก็คือโอ้โหไม่ยินดีในการเจริญกุศลเลยนะเวลาไปอยู่ในที่หลีกเร่นแล้วเนี่ยนะโอ้ไม่ชอบเลยที่จะต้องมาอยู่ในที่เงียบๆแบบนี้นะที่หลีกเล่นที่เงียบไม่มีคนไปไม่มีคนมาต้องมาอยู่คนเดียวเนี่ยซบเซาเหมือนกับว่าหมดทางไปหรือยังไงลักษณะเนี่ย น, น ะ, ะถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าความไม่ยินดีเกิดขึ้น หรือว่าเจริญสมถะเจริญพุทธคุณเจริญธรรมคุณเจริญกรรมฐานใดๆก็ตามสามถะวิปัสนาเป็นต้นไม่ยินดีในการเจริญกุศลนะมันมันเบื่อมันท้อแท้เป็นต้นเนี่ยอันนี้แสดงว่าเกิดความผิดพลาดใช่ไหมก็คือกุศลศีลเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ดีเนี่ยเป็นเหตุให้เป็นลักษณะนี้หรือว่าความยินดีเกิดขึ้นคําว่าความยินดีนั้นก็คือ ย, ยินดีในกา ม, มะคุณทั้งห้านะ นึกยินดีนึกยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโพธภพะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะด้วยอำนาจจิตที่เป็นปลายกระโลภะถ้าลักษณะนี้ก็เรียกว่าความยินดีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากจะครอบงำสองสิ่งเนี่ยทำยังไงก็คือรักษาศีนั่นเองเนี่ยนะทำศีนให้บริบูรณ์ก็จะครอบงำสองอย่างนี้ที่มีโทษแบบนี้ได้บทว่า ณจะมังอารติสเฮยะความว่าก็ความยินร้ายพึงครอบงามย่ายีได้แก่ท่วมท่า เ, เรล่าไม่ได้อุ ป, ปนังความว่าเกิดแล้วคือบังเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าพิสูผูประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นย่อมอดกลั้นคือครอบงาได้แก่ย่ายีซึ่งความยินดีและยินร้ายได้ นะตรงนี้ก็ยกศีลประเภทขันติสังวรขึ้นมานะว่าเออขันตินี้ดีนะถ้าหากว่ามีศีลคือมีขันติเป็นต้นก็จะครอบงําความยินความยินดีและความไม่ยินดีได้เพแต่ถ้ากิเลสเกิดขึ้นนี่ก็ชื่อว่ายินออชื่อว่าไม่ขันตินะทั้งกิเลสไม่ว่าจะเป็นโลภาโทสะเกิดเนี่ยนะก็ชื่อว่าไม่มีขันติทั้งคู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าภิกษุแม้ปรารถนาจะให้ตนเป็นเช่นนั้น พึงเป็นผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นนะถ้ามีศีลแล้วก็จะกำจัดทั้งความยินร้ายและความยินดีออกไปได้ยินร้ายก็คือมายินดีในการเจริญกุศลอะนะโอ้ยท้อแท้แล้วว่างั้นเถอะจะยกธงขาวอย่างเดียวยงั้นแต่ลักษณะนี้ก็แสดงว่าเอผิดพลาดแล้วล่ะอีกข้อหนึ่งว่าดูการพิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราจะพึงเป็นผู้ข่มความกลัวและความคลาดได้อันหนึ่งความกลัวและความคลาดอย่าพึงครอบงำเราได้เลยเราพึงครอบงำย่ำยีความกลัวและความลาาคลาดที่เกิดขึ้นแล้วได้อยู่เธิดคือพระภิกษุบางรูปเนี่ยนะโอ้ยนิสัยขี้คลาดเนี่ยนะสุดยอดไปว่า ง, งั้นเต่เขาบอกว่า อ, อยู่กุฏิคนเดียวไม่ได้อะ่ะมันกลัวผีอะ่ะสมัยมแต่ว่าพวกนี้ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีนะ มีอยู่องค์หนึ่งเขาบากงั้นเขาไม่เชื่อเรื่องผีหรอกแต่ว่าเขากลัวผีที่สุดในโลกครับ่างั้นแปลว่ายังไงกรับ่นุ้นนะเขาบอกว่าผีมีจริงไหมกลางวันเนี่ยอย่าไปคุยกับเขาเลยเขาไม่เชื่อเด็ดขาดแต่กลางคืนเนี่ยนะให้เขาไปสมมติถ้าสักห่างสักยี่สิบสามสิบเมตรที่มัน ม, มืดมืดเนี่ยนะเอาของมีค่าไปวางไว้เนี่ยให้เขาไปเอาเขาไม่เอาเด็ดขาดกลัวขาองั้น เพะะ น, นถ้ายิ่งบวชแล้วต้องไปอยู่วัดใกล้ๆป่าช้าด้วยนี่โอ้ยสุดยอดเลยนะกุฏิเย็นเ ย, ยือกเงียบแม่เนียนะเนีอ๋อเคยเหมือนกันเป็นบางครั้งบางทีเนี่ยเราตื่นขึ้นมาดึกๆอย่างเงี้ยนะตีหนึ่งตีสองเนี่ยงียง ι ι บหมดเลยนะเดี๋ยวซ้ายเลยขวาโอ้โหอยู่ในกดคนเดียวอย่างเงี้เพื่อนเขาก็หลับกันหมดแล้วอันะก็อยู่ไกลๆกันอย่างเงี้ยโหมันนึกเสียววูบขึ้นมาเหมือนกันนะมีพู้ตระกูลอะไรก็เอารีบมาเจริญเนอะ แล้วก็รีบทำให้มันหลับต่อไม่จะได้รอให้เช้านะันถ้าถ้าเป็นความขาดและความกลัวเหล่านั้นเกิดขึ้นภิกษุนั้นควรเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลนะกลัวนี่เป็นโทสะใช่ไหมกลัวก็ไม่ใช่ศีลแล้วนะเพรา ะ, ะนั้นก็ทำบริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมะเครื่องระ ง, งับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทาฌานให้เหินห่างเพิ่มพูนการอยู่ในสุญยาคาร ก็บอกว่าความสะดุ้งแห่งจิตก็ดีอารมณ์ก็ดีชื่อว่าภัยความว่าความน่ากลัวเนี่ยนะไผ่นี่เป็นชื่อของความสะดุ้งทางใจนะใจมันสะดุ้งขึ้นมาเนี่ยเรียกว่ามีภัยเข้าแล้วละ่ะหรือว่าแหมอารมณ์นั้นน่ากลัวมากอารมณ์นั่นเองชื่อว่าเพรวะความขลาด ความจริงพิกษุนผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นย่อมอดกลั้นคือย่อมครอบงมได้แก่ย่อมย่ำยีความกลัวและความขลาดนั้นตั้งอยู่เหมือนพระมหาทัตะเถระชาวอริยะโกติยะวิหารว่า ง, งั้นมีพระรูปนี้ไม่กลัวผีว่า ง, งั้นเอได้ยินว่าพระเถระนี้ดำเนินไปในหนทางก็ได้พบราวป่าอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสแห่งในแห่งหนึ่งนะพระที่ชอบชอบ เจริญสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะเจริญกรรมฐานเนี่ยนะถามว่าฌานนี้องค์ฌานข้อต้นคืออะไรองค์ฌานข้อต้นอของขฌานก็วิตกนั่นแหละก็เจริญสัมมาสังกัปปะนั่นแหละแต่ว่าสัมมาสังกัปปะที่เรียกว่าวิตกอันนี้เนี่ยนะเรียกว่าฌานใช่ไหมฌานก็เป็นลักคนูปนิสฌานและอารัมมานูปนิสฌานจะเพ่งรูปนามขันท่าหรือว่าจะเพ่งอารมณ์เท่านั้นเอง ท่านไปเห็นสถานที่มันสปายะเนี่ยนะต้นไม้มันร่มเรือนเงียบก็เลยคิดว่าวันนี้เราจักบาเพ็ญสมณธรรมในที่นี้แล้วจึงจักไปดังนี้แล้วก็ออกจากประตูไอออกจากทางปูราาสังขาติแล้วก็นั่งขัดสมาธิใกล้โคนต้นไม้แห่งใดแห่งหนึ่งอย่าลืมว่าพระบางองค์สมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้ก็มีเหมือนกันที่ท่านสมาทานไม่เนาะใช้อิรยาบดสามเท่านั้นเองยืนเดินกับนั่ง เพราะท่านท่านเหล่านี้จะถ้าหลับก็จะนั่งหลับว่างัา้นจะหรือไม่ก็มีบาดอันหนึ่งหรือไปหาอะไรที่พิงซะหน่อยก็อยู่ได้เหมือนกันแล้วก็อยู่โคนไม้ก็นั่งขัดสมาธิว่างั้นเถอะเด็กๆของรู ก, กเทวดาไม่สา ม, มารถที่จะดํารงอยู่ตามสภาวะของตนได้ด้วยเดชแห่งศีลของพระเถระจึงร้องจ้าขึ้นว่างั้นลูกเทวดาร้องเลยแม้เทวดาเองก็เขย่าต้นไม้ทุกต้นว่างั้นครับ ค้ายๆก็เกิดอาเพศขึ้นมา ท, ทันทีนะพระเทระก็นั่งไม่ไหวติงเลยนั่งเงบเหมือนกนเทวดาทั้งหลายก็บังหวนควันให้ลุกพโพล่ขึ้นถึงอย่างนั้นก็ไม่สา ม, มารถที่จะทำให้พระเทระไหวติงได้ท่านก่เจริญกรรมาฐานของท่านไปต่อแต่นั้นเทวดาจึงแปลงเพศเป็นอุบาสกเลไล่ไม่เนี้ยก็เลยปลอมเป็นคนมา เดินมาไหว้พระเทระแล้วก็ได้ยืนอยู่พระเทระก็ถามว่านั่นใครจึงได้ตอบว่าท่านผู้เจริญกระผมเป็นเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ที่ต้นไม้นี้พ ร, พระเทระถามว่าท่านได้ทำสิ่งประหลาดนั้นหรื อ, อ, นนะอเหตุการ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นท่านทำใช่ไหมเทวดาตอบว่าใช่ครับก็เทวดานั้นพอถูกพระเทระถามว่าเพราะเหตุไรท่านจึงทาจึงตอบว่าท่านผู้เจริญด้วยเดชแห่งศีลของท่านนั้นแล พวกเด็กๆไม่สา ม, มารถที่จะดำรงอยู่ตามภาวะของตนได้จึงได้พาการส่งเสียงร้องจ้ากับผมได้ทําอย่างนี้เพื่อประสงค์จะให้ท่านหนีไปเสียะพราะงั้นก็เทวดาไล่ผีนั่นเองอ่าไม่ใช่ <c oughs> เทวดาไล่พระเทวดาไล่ผีก็พอดีกันนะเนอะเอ๊ใครเป็นผีใครเป็นเทวดาเขานี่ยุ่งหมดพระเทเรศก็ถามว่าเออเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุายท่านจึง ประสงค์จะให้เราหนีไปอะทำไมจึงต้องไล่อะเทวดาตอบว่าท่านผู้เจริญขอท่านอย่าอยู่ในที่นี้เลยกระผมไม่มีความสุขเลยยังไงพระเระจึงกล่าวว่าทำไมท่านไม่บอกเราก่อนแต่บัดนี้ท่านอย่าพูดอะไรเลยเรารู้สึกละอายต่อถ้อยคำที่คนจะพูดว่าพระอริยะโกติยมหาทัตะหลีกไปเพราะกลัวต่ออามนุษย์ นนะเดี๋ยวคนคอระหาว่างั้นเดี๋ยวจะเสียชื่อเสียงหมดงั้นเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ที่นี้แหละแต่วันนี้เพียงวันเดียวท่านจงอยู่ที่ใดที่หนึ่งก่อนอพระผู้มีพระภาคเก้าวทรงแสดงว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นย่อมเป็นผู้อดทนต่อภัยที่น่ากลัวได้ฉะนั้นภิกษุแม้ปรารถนาให้ตนเป็นเช่นนี้พึงเป็นผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้น ถ้าหากว่าลองไม่ใช่สายเวทมนต์ไม่ใช่เล่นเกี่ยวกับเรื่องคาถาเครื่องล่างของขังเป็นต้นเนี่ยนะลองเอาแบบตัวเพียวๆ เ, เลยงั้นไปนั่งอยู่ในป่าดูนะถ้าศีลไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโอโ้โหขนเนี่ยลุกขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นวิ่นในอะไรที่มันเป็นอบัตทิที่ไหนที่ไหนแม่มันลึกได้หมดนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอาการอยู่รุกขมูลอยู่โคนไม้เป็นต้นเนี่ยนะชำระศีลได้เป็นอย่างดีเหมือนกันถ้าพระที่สูงเนี่ยนะ พราถ้าหากว่าโมแต่อยู่ในที่ดีๆมันเพลินอะ่ะมันลืมไปเอไปทําผิดเล็กๆน้อยๆเป็นต้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้นึกอะไรใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าไปอยู่ป่าอยู่โคนไม้เป็นต้นอะถ้างูเห่ามานอนด้วยจะว่าไง น, นะบางทีมีงูแมวสาวอยู่ถ้าหากว่าเราไปจุดเทียนจุดไฟเนี่ยนะแมวสาวจะมานะแมวเสาวนี่ชอบไฟกลางวั น, นเนี่ยนะโอ้ยเหมือนแมวเหมือนแมวนอนอย่างนั้นเลยไม่มีเหมือนไม่มีพิษสงอะไรหรอกแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยอ่ตัวของเขาก็จะคล้ายๆกับ ง, งูเหลือม งูรำแต่เขาสั้นกว่าตัวนี้เท่าๆนี้ก็มีตัวใหญ่เขาบอกว่ากัดแล้วก็เาบทําให้ง่วงก็หลับเลยองั้นงูอันพวกจงอางหรือว่าพวกงูเห่าพวกอะไรเป็นต้นก็จะมาอันถ้าหากว่าช่วงนั้นแหละนึกถึงเออถ้าจะตายคืนนี้พร้อมหรือยังอย่างนั้นเนอะมันก็จะทําให้ระลึกถึงกุศลศีลได้เนี่ยนะสา ม, มารถที่จะเจริญมรณ า, านุสติให้าการอยู่โคนไม้อยู่รุกขมูลนี่มีประโยชน์มากมายมหาศาล เนี่ยนะทำให้ชําระกุโสลศีนเป็นต้นเนี่ยนะผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งมาโหรีบทำคืนเลยกลัวว่างนั้นหรือว่าเอ๊นี่เทวดาเขารู้เรารู้เปล่าว่าเรากำลังนั่งทำอะไรอยู่เนี่ยนะอันถ้าหากว่าใครมีดำริไม่ค่อยบริสุทธิ์ก็จะอยู่ยากเนี่ยน ะ, ะทีนี้ข้อต่อไปนะว่าดูกอนพิสูุนทั้งหลายถ้าพิกษุจะพึงหวังว่าเราเป็นผู้ได้ฌานทั้งสี่ เกิดขึ้นกับจิตที่ผ่องใสยิ่งเป็นธรรมะเครื่องอยู่เป็นสุขในทิ่ธรรมตามความปรารถนาได้ไม่ยากไม่ลำบากเถิดตังนี้ภิสูุนนั้นควรเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมะเครื่องระงับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทำฌานให้เฮินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนการอยู่ในสุญยาคารย่านะถ้าหากว่าอยากได้ฌานสี่ว่างั้นเถอะหวังว่าจักได้ฌานสี่ ก็ขอให้ตั้งอยู่ในศีลเหมืนนถ้าตั้งอยู่ในกุศลศีลมีศีลเป็นพื้นฐานฌานสี่ไม่ยักดูกานพิสูุนทั้งหลายถ้าพิสุ์พึงหวังว่าเราพึงถูกต้องด้วยกายซึ่งวิโมกอันก้าล่วงรูปาวจรฌานแล้วเป็นธรรมะไม่มีรูปสงบประงับอยู่เถิดดังนี้ ภิกษุนั้นควรเป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมะเครื่องระ ง, งับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทําฌานให้เหินห่างประกอบวิปัสสนาเพิ่มพูนการอยู่ในศูนญยาคารนะถ้าประสงค์จะเข้าอารูปสมาบัตินะประสงค์จะเข้าอารูปฌานตั้งแต่อากาสานัญจายตนาะวิญญาณัญจายตนาะอากินจัญญายตนะและก็เนวสัญญาณสัญญาญตนะถ้าประสงค์อรูปฌานอย่างนั้นก็ควรทําให้บริบูรณ์ ในศีนะแล้วก็หมั่นประกอบสมถะวิปัสสนาก็จักได้ดูกวารพิสุทั้งหลายถ้าพิสุจจะพึงหวังว่าเราพึงเป็นโสดาบันเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์สามพึงเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานะพระโสดาบันนี้ตกต่ำไหมจะตกจะเคลื่อนจากโสดาปฏิมักไปอีกไหมนะจะเรียกว่าอริยะความเป็นพระอริยะบุคคลจะลดไปไหมไม่มีลด เพราะฉะนั้นมีอันไม่ตกต่าเป็นธรรมดาแล้วก็แม้โดยการเกิดพระโสดาบันนั้นจะไม่ไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกแล้วที่บินว่อนนี่ไม่ใช่พระโสดาบานนันแน่นอนที่บินบินเนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นท่าว่าเป็นพระโสดาบันแล้วไม่ต้องมาบินอย่างนี้นสบายเลยเป็นแมลงเมาแล้วก็ท่านนั้นเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้มีอันจะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้านะนะก็คือพระโสดาบันนั้นเป็นผู้ที่เที่ยงที่จะ ตรัสรู้สกทาคามีมกักอนาคามีมกักอรหัตตมักต่อไปในเบื้องหน้านะัถ้าหากว่าปรารถนาเป็นพระโสดาบันอย่างนี้ภิกษุนั้นควรเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในสีลประกอบธรรมะเครื่องระ ง, งับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทำชานให้เฮินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนการอยู่ในศูนย์ยาคานดูการภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราเป็นพระสะกทาคามีเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์สามและเพราะราคะโทสะโมหะเป็นสภาพเบาบางพึงมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวพึงทำที่สุดแห่งทุกได้ออราคะโทสะของพระสะกทาคามีเขาบอกว่าบางเหมือนปีกมแมลงวันเงี้ยงั้นบางมากนะไม่นานแน่น พิสูุนนั้นควรเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบด้วยธรรมะเครื่องระงับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทำชานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนการอยู่ในศูนย์ยาคาถ้าปรารถนาเป็นพระสกทาคามี ม, มีคุณธรรมอย่างนี้ก็ศีลนะว่างั้ น, นะ น, นดูการพิสูุนทั้งหลายถ้าพิกษุจะพึงหวังว่าเราเป็นอุปปติกะเพราะสิ้นไปแห่งโอรัมภากยะสังโยชน์หา เพ่งปริณิพานในโลกนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเถิดดังนี้พิสูจนนั้นควรเป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในศีลประกอบด้วยธรรมะเครื่องระ ง, งับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทําชานให้เฮิรนห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนการอยู่ในศูนยาคาันแต่ถ้าหากว่าเราจะคิดว่าศีลเนี่ยนะแค่ข้อเว้นอย่างเดียวนี้มันก็สบายมากใช่ไหมเออนั่งอย่างเดียวนี้นั่งไหม่ขาใหม่ลักใหม่ทําผิดอะไรสักอย่างอา้าวฉันมีศีลแล้วนะ ถ้ายังงี้ก็หมายโอ้อนาคามีก็ดูไม่ยากกนะถึใช่แต่นี้สีเนี่ยมีทั้งเจตนาที่งดเว้นด้วยเจตนาที่ปฏิบัติด้วยนะสังวรห้าเนี่ยนะศีละสังวรเช่นแมลงมันบินมาเราไม่ตบไม่ฆ่ามันก็พอได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะอินทรีย์สังวรมีหรือเปล่าล่ะเมื่อเห็นแมลงเนี่ยนะเห็นแมลงถ้าหากว่านึกถึงโอ้สมัยก่อนเคยค่วยว่าง ถ้าหากว่าเป็นลักษณะ น, นั้นอินทรีย์สังวรไม่มีเนี่ยนะจริงอยู่ว่าศีล ส, สังวรไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ไม่ได้ละเมิดไปในขณะนั้นแต่ว่าอินทรีย์สังวรไม่มีในขณะเห็นแล้วก็นึกถึงสมมติว่าโหไปนั่งดูปลานะนั่งดูปลาแล้วคิดถึงปลาสุกๆุกกบนโต๊ะเนี่ยนะถ้าลักษณะนี้เอ๊ะไม่ได้่าดเนี่ยศีลก็ไม่ขาดทีนายนได้อินทรีย์สังวรไม่มีนะ่ยนะ อินทรีสังวรหรือสติสังวรไม่เกิดยาณสังวรก็ไม่ไม่เกิดหกเห็นะขันติสังวรก็ไม่มีในขณะนั้นเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจึงไม่ใช่ว่าไม่ทำอย่างเดียวเท่านั้นในขณะเดียวเนี่ยคิดอย่างไรด้วยจึงจัเป็นศีลถ้าไม่คิดแบบนี้แบบนี้แบบ น, แบบนี้ไม่เป็นศีลนะนะอย่างยกตัวอย่างอย่างเครื่องนุ่งห่มของเราเนี่ยนะข้าวของที่เราใช้สอยเหล่านี้เนี่ย อา้าวเราก็ไม่ได้ไปผิดศีลไม่ได้ไปลักไปขโมยไม่ได้ไปโกงใครมาเราใช้สอยเนี่ยเราก็มีศีลแล้วเอาไม่ได้พิจารณาก็ขาดญาณนนะสังวรใช่ไหมไม่มีสังวรศีลเลยเมื่อเรานุ่งห่มใช้สอยเสื้อผ้าจีวรเป็นต้นเนี่ยไม่พิจารณาอย่างเช่นมาใช้ที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยเอากไม่ได้ไปลักไปขโมยใครมาเนี่ยเราก็มาใช้ของเราอย่างเนี้ยถามว่าเรามีศีลไหมศีลข้ออื่นๆ อ, อาจจะมีแต่ปัจจะยาสันนี่สิศีตศีลเราไม่มีไม่บริบูรณ์ เพราะฉะนั้นศีลบางอย่างก็ต้องทําขึ้นต้องพิจารณาถ้าขี้เกียจพยิจารณากุศลศีลเหล่านี้ก็ไม่ไม่มีกุศลศีลเหล่านี้ก็ไม่ไม่เกิดแหม่ไม่งั้นเอสวรรค์นี่มันชักจะไม่ยากนะง่ายนิดเดียวเพียงก็นัน่งไม่ทําอะไรแหม่สวรรค์ไปง่ายเหลือเกินคนทั่วใหญ่ที่ไมาในศึกษาในในศีลสิกฐานะจะเข้าใจเพียงเท่านั้นนะจะเข้าใจเพียงแต่เรื่องเจตนาเป็นศีลเท่านั้นเองนะ แล้วก็ถ้าเรียนอีกนิดนึงก็บอกว่ามีเฉพาะขณะที่เจตนาเกิดทางนั้นศีลหรือว่าอาจจะเข้าใจสูงไปนิดหนึง่งขณะที่สมาทานนะขณะที่สมาทานวิรัตน์นั้นก็มีศีลเฉพาะขณะนั้นนะแต่พอมาถึงพูดถึงว่าเจตสิกเป็นศีลเนื้อว่ า, าสังวรเป็นศีลไม่เข้าใจเลยไม่คิดว่าจะเป็นศีลด้วยเสร็จตพานเกิถ้าหากว่า ไม่เข้าใจถึงสังวรเป็นศีลเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ที่น่าสงสารที่สุดเลยนะในบรรดาในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะคือถ้าหากว่าไม่เข้าใจสังวรศีลเนี่ยนะเห็นความเป็นปุตุชนสมบูรณ์แบบที่สุดเลยว่าความเป็นปุตุชนที่บริบูรณ์เป็นอันทะปุตุชนเนี่ยนะก็คือที่ที่พระ อ, องค์ตรัสว่าดูความพิสูจนทั้งหลายปุตุชนในโลกนี้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่มีวินัยของพระอริยะที่เรียกว่าอาวินิ t a นะไม่ได้รับการแนะนําในธรรมะของพระอริยะก็คือไม่มีวินัยเนี่ยมีแบ่งออกเป็นสองใช่ไหมสังวรวินัยกับปะหานวินยัยนะทีนี้บอกว่าไม่มีวินัยของพระอริยะเนี่ยคือความเป็นปุตุชนจ ร, จริงๆก็คือไม่มีวินัยของพระอริยะเนี่ยสังวรวินัยเนี่ยนะเมื่อสังวรห้าไม่รู้จักเลยเนี่ยแสดงว่า เขาเหล่านั้นเป็นปุตุชนที่บอดจริงๆเป็นอันทะปุตุชนจริงๆเลยเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าเห็นหรือมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสังวรห้าอย่างดีแล้วเอาสังวรหมาตรึกมาแพ่งมาพิจารณามากๆแล้วจะเห็นว่าเออปุตุชนผู้ได้สดับกับไม่ได้สดับเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยนะถ้าเข้าใจเรื่องของสังวรห้าเนี่ยนะยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเรามองเห็นเนี่ยสามารถทําสังวรห้ได้ไหม ถ้าไม่มีสังวรห้าจะเป็นอย่างไรอันนะัลองเอามาเพ่งๆดูนะแล้วจะเห็นชัดว่าเออปุตุชนผู้ได้สดับหรือว่าพวกปุตุชนด้วยกันนนั้แต่ถ้าเอาแบบชั้นสูงก็อริยะสาวกผู้ได้สัตดับนะกับผู้ไม่ได้สดับนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรจําสังวรห้าทำความเข้าใจให้ดีแล้วเอามาเพ่งดูเออถ้าหูได้ยินเสียงเนี่ยถ้ามีสังวรห้าจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีสังวรห้าจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะ แล้วก็การพิจารณาเรื่องศีลก็ไม่จําเพาะภายในอย่างเดียวใช่ไหมพิจารณาภายนอกด้วยเนี่ยนะทั้งภายในทั้งภายนอกก็เอาตัวอย่างคนมีศีลกับตัวอย่างของคนที่ไม่มีศีลมาเกิดการเปรียบเทียบต่างๆอย่าลืมนะถ้าเกิดการเปรียบเทียบบ่อยๆฮิริอุตตะปะเกิดนะออคนนั้นเนี่ย เ, ออเขาไม่สังวรเนี่ยฮิริอตตะปะเราเกิดทันทีเลยนะถ้าเราจะทําก็จะเป็นแบบคนนั้นทันทีไ อ, ไอฮิริโอตตะปะที่เกิดได้แบบนี้นั่นแหละเป็นเหตุใกล้แห่งกุศลศีลเนี่ยนะ เขาเรียกว่าเป็นกุศลศีลที่เกิดจากสามัญยสํานึกจริงๆเลยนะเขาเรียกว่าเป็นฮิริโอตาปะที่ที่เห็นโทษจริงๆแต่ถ้าส่วนใหญ่บางทีเราสมาทานก็เคยทำะนะอาศัยว่าเคยทําก็ทำไปเรื่อยๆไปแต่ว่าทําด้วยความสํานึกจริงๆเนี่ยนะสามัญยสํานึกจริงๆก็ไม่มากนะักเมื่อสามัญยสํานึกไม่ค่อยมีจริงๆเนี่ยฮิริโอตาปะส่วนนี้มันขาดไปเมื่อฮิริโอตาปะเหล่านี้ขาด กุศลศีลก็ไม่มั่นคงเมื่อกุศลศีลไม่มั่นคงเราก็ปล่อยให้บาปเกิดขึ้นง่ายๆในจิตของเราเนี่ยนะคือถ้าบาปมันเกิดขึ้นในใจก็ยังนึกว่าไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมนะกุศลเรจะเกิดจากสองสองชั่วโมงไปทําอะไรเพลินเนสักสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยก็ไม่น่าเสียหายอะไรก็เราก็จะคิดว่าเอ๊ยก็ไม่ได้ไปล่วงศีลไม่ไดยไปผิดไปดา่าไปอะไรใครนี่ฉันก็ร้องเพลงของฉันไปเรื่อยอะไรไปเรื่อยก็นึกว่าไม่มีโทษอะไรเพราะว่า ฮิริโอตาปะไม่มีถ้าฮิริโอตาปะมีเข้าว่าเอเจตนาเหล่านี้มีผลไหมความชั่วเหล่านี้เนี่ยมีผลไหมถ้ามีผลเนี่ยนะฮิริโอตาปะกุศลศีลก็จะเกิดขึ้นทำให้สังวรระวังเห็นภายในสังสารวัตมากขึ้นถ้าหากว่าเห็นโดยความเป็นภัยลักษณะนี้ก็ตั้งใจสมาทานตั้งใจรักษาจิตไม่ให้ไหลไปกับบาปอากุศลเนี่ยนะสังวรสังวรเหล่านี้ก็จะมั่นคงขึ้น คือถ้าหากว่าบอกว่าสีเอะไม่ทำอย่างเดียวนี่แม่ง่ายจริงๆเลยนะสบายมาก